ลองทำกันนะเนอะยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจิงที่เคยได้ยินได้ฟังยัไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจได้เมื่อพบเข้าใจเกิดขึ้นก็ความสงสัยก็จะมีไม่ได้จุด ของผู้ฟังย่อมฟังใสต้องกลมเห็นให้แก่มแจ้งได้มีอานิสงส์ของการปังธรรมเราก็สาธยายพระชุดโดยท่านนั่งทื่อในความพร้อม ติดใจใจตามความสอดความสาธาราบิตะควรดีๆเป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีพกเรหน้ากยู น, นี่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งเวดล้องที่ดีมิตรดีสายดีสิ่งแวดล้อมดีเพื่อนดี ก็เป็นไปแล้วของผ ม, อ, ม อ, อาจานควมบริสุทอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีชีวิตรอมดีได้เหมือนกับจะเป็นอาชีพการงา น, นอะไรก็ตาม เป็นทำนาทำไรมีเนื้อนาดีมีน้ำดีมีข้าวปลูกข้าวเว็ดมีพืชพันธุ์ดีมีความใส่ใจก็เกิดผลขึ้นมาได้ชีวิตเราก็เช่นกันสิ่งเรล่องด่ดีมีศรัทธา เพื่อเชื่อเป็นทุนมาจากทุกสารทิศหัวใจอันเดียวกันมาเพื่อปฏิบัติธรรมนี่เรว่ามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรที่จะทำงานทำการทำกรรมอัมมฐาน คือการอฐานจนงานของเราที่ตั้งของกกระธรรมเราก็มีที่ตั้งมีกายมีใจสิ่งที่เอาไปตั้งว่ากับกายกับใจก็คือสติคือความรู้สึกกวามเลือกได้ตั้งไปที่กายที่ใจ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 มเมล็ดพืชที่ฝังอยู่แล้วมันก็งอ ก, กงามขึ้นมาได้อันนี้เลยว่าชิงได้ลองชิงใดก็ตามแต่มเมล็ดพืชเกิดอยู่ในดินมันเป็นผักเป็นข้าวเป็นต้นไม้เป็นผลไม้เป็นอาหารแต่สตรี ลกลงไปที่การที่ใจมันเป็นมากเป็นผลมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เมื่อเกิดศีนเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็หล่อความชั่วทำความดีจิตก็จะบริสุทธิ์กายก็จะบริสุทธิ์ อดจ์ดจากเครื่องเศร้มองมีโกโปวดหลงเป็นต้นจนเป็นภวจานหลุดพ้นที่สจุดแห่งทุกข์ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือแย่งที่เราได้สอธทยาพูรไปแล้วลุกคนทำได้อมฐานถไม่เลือกเพศเลือกวัยเลือกฤทธินทกายไีได้ นี่อันเดียวกันสติเท่าเทียมกันนี่กายก็มายกเบือให้รู้สึกก็รู้เช่นเดียวกันจะนุ่งห่มผ้าสีใดเหมือนกันรู้เหมือนกันอยู่ในเพศใดก็รู้เหมือนกันนี่คือปฏิบัติได้ให้ผลได้ยกเบือขึ้นรู้สึกผู้เห็นเข้ารู้สึก อย่าโฉนดกรู้สึกเหมือนกันหมดอันนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติเรื่องนี้ผู้ศึกษารนี่ต้องทำด้วยตนเองไม่มีใครทำให้กันได้เมื่อเดมีความรู้เกิดขึ้นที่กาที่ใจ มันก็เป็นไปเองเปลี่ยนละบาปแล้วไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วแม่บาปที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้บทไปแล้วทําให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นมากางามไพบุญยิ่งขึ้นเป็นไปเองแต่ถ้าเรามีกรรมฐานแล้ว เป็นทานเรือนไปเองเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงบีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ไม่มี้ามีความรู้ก็ ม, มีความหลงถ้ามีความหลงก็ ม, มีความรู้ขณะนี้มันเปลี่ยนได้อยู่ถ้าหากมีความหลงเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติอยู่เราก็รู้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 อย่าปล่อยความไม่ดีทิ้งไว้ในกายในใจเราเราปล่อยความไม่ดีทิ้งไว้ในกายในใจมานานแล้วหลงอะสิจิสงไขหลงโกรธจิตอสงไขโกรธทุกข์จิอสงไขทุกทขก์เคยเปลี่ยนไหมทำไมเปลี่ยนเป็นความงงามในความไม่ดีในกายในใจเรานี้ จนปจลิตนิสยัยเราค้จริตโทสะจลิตโมหะจลิตหวัดดีเมื่เปลียนเถอะให้มันมีความดีเกิดขึ้นแล้วมันหลงไม่หลงรู้จักตัวเนี่ยคมรู้จักตัวเนี่หลังจากทั้งหมดแล้วเราความชั่วแล้วทำความดีแล้วไม่ยาก ไม่ยากเลยว่าแต่จะมีสิ่งที่ไม่ดีให้เราได้เลาะอยู่วันหนึ่งหลายเรื่องหลายเราวลายอย่างเกิด้อยข้างพันหนุนก็มีเคยเป็นนิสัยอย่างไรมามันก็ไปอมมันก็แสดงออกมาให้เห็น จะได้เห็นตัวเองที่เป็นความถูกไม่ถูกความผิดไ้ความถูกต้องความไม่ถูกต้องมันน่าจะขยันแล้วก็มีประโยชน์้าเราไม่เปลี่ยนความร้าดเป็นความดีที่มีอยู่ในกายในใจมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเราต่อคนอื่นจึงอื่น ดงบุลอันนั่นบ้าลูกเต่าหรือส่อวิปัญญาเป็นคนชั่วเป็นหน้าเนเรื่องน่ากลัวกลัวผู้ร้ไยใจก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นอย่างไรทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเรามีสิทธิไหมเรื่องนี้แล้วมันหลงมีสิทธิไม่หลงไหม เวลามันโกรธีสิทธิไม่โกรธบ้างไหมเคยใช้สิทธิไหมปฏิบัติธรรมคือมาใช้สิทธิให้ถูกต้องประกาศปฏิสลภาพได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกทั้งหนึ่งมันน่าจะพวมใจแม่มันมีความโกรธเกิดขึ้นได้เปลี่ยนความโกรธเป็นทวมลูกมันน่าจะถูกต้องแล้วขยันตรงนี้หรือว่าภาวนา มีงานในการทำจากดีเราทำนาก็มีงานทำมีเวลาปลูกก็ปลูกร้กองปล่อยหลังโซฟาหน้าสูเดินไม่ได้กลัวความร้อนความหนาวฝนตกก็เปียงเหนายวยดดออกก็ร้อนก็ไม่เอาความร้อนความหนาวมาอ้างในการทำได้ทำนาว่าเราจะทำ อันนี้ก็เช่นกันแม้จะเกิดอย่างอื่นขึ้นมาขณะที่เราเหยียดละความชั่วทำความดีอยู่นี่แล้วก็มีสิ่งที่ไม่เกิดแนวร่วมเกิดขึ้นเวลาเรามีสติก็เกิดความหลงควา ม, มงหาหอเหัวโดนความหลังเลสงสอยความคิดพุ่งซ้อน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 ว่าหิวไม่ได้เวลาเราทํางานเอาจริงเรานั่นมาอ้างก็เป็นคนเกียจคร้านถ้าบังว่วงคนนอนหรือว่าเป็นคนเกียดค้า น, า น, น, น, นขณะที่ทํางานถ้าว่าร้อนก็หยุดทาบรรปวดบรรเมือ่อิก็หยุดจะบ่าความเกลียดค้านลักษณะของควาเกียดค้านเป็นเช่นนั้นมักอ้างโน่นอ้าง น, นี้ หัดนตนสนตนเตือนตนแค่ไขตนอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นเลยนะไม่ใช่ตัวเราดอกกนฎากอนที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเรามีมานานแล้วถ้าเอาอย่างคนดีถ้าเรามาเอาอย่างคนดีออกใจเห็นกระแส นพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าโอเคกันจิตให้บรรลุคุณงามความดีลูกแรกทางที่บรนขวงกันไม่ให้ผ่านได้ถ้ามันเกิดความง่วงเกิดขึ้นมาสะั้งเออพทธเจ้าไปไปทางนี้แหละพทธเจ้าเห็นอันนี้จึงว่าอันแรกมีไหม เปลี่ยนซะให้รู้สึกตัวหาเรื่องแกขอยมองไปท่องฟ้ามองยอดน้อยมองทิศมองทางบางทีมันเอารูปแบบแยกไม่ได้ยกเวอสร้างจังหวะว่ายังงนวงอยู่เอาความคิดหรือเอาจิตออกไปข้างนอกก่อนมองทิศมองทาง ตืวทิศต้อยอยู่ทิศตาอยเวลานี้เป็นเวลาใดเป็นเวลากลางวันไม่ใช่เวลานอนกลางคืนเป็นเวลานอนว่าบอกตอนอย่างนี้ให้ชัดเจนอย่าปิดบังความถูกความผิดที่มันเกิดขึ้นหาเรื่องที่หาความถูกต้องแชกหลงปอยฟ้องมหลงปอยเหมือน ย่อยแยกเรียกว่าขบเคี้ยวทำมาพิจยรณคือขบเคี้ยวอย่าจนไม่ทางไปอยู่อาจจะตื่นเห็นนที่มันง่วงได้ดูแจ้งตื่นเห็นมันเอานี้เป็นอาการนันเดือง พู้เจ้าเห็นอย่างนี้ก็ออกมาเป็นความรู้สะง่ายง่ายเอาความรู้จาความง่วงได้ไม่ยากถ้าให้เป็นความง่วงพอให้หลับมันจะไปกายเป็นนิสายเรียกว่าดีบรดและทำขอำ้องามเป็นขวางกัน้นความดีจิตหลังเลสงสอย มีเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติชุดโน้นชุดนี้หาคำตอบจากความคิดเหตุผลดอกโ น, นดดอก น, นี้ยิ่งศึกษาเล่าเรียนมาจำอโนนมีหลายคขัวาจารย์เอาคำพูดของคนอื่นให้คนอื่นบอกคิดบอกถูกหาคำตอบจากความคิด มันไม่ใช่วิปัสสนามนไม่ใช่กรรมฐานเป็นกิจทยานใครก็คิดได้แต่ว่าทําไม่เป็นรู้ว่าผิดก็รู้อยู่ถูกก็รู้อยู่แต่ไม่เคยแก้ได้คราวเดียวกัอนในคราวมันผิดก็มีความถูกได้คราวเดียวกันนั่นไม่ให้มันเกิดได้ทันทีปฏิบปทาทรมมันทันทีมาไ ว, ไว สติมาไ ว, ไว้อย่าช้าถ้าเที่ยวมาไว้อ่อะไรเกิดขึ้นอ่ะลบก่อนเอาเป็นุกไปก่อนเอาเป็นทุกไปก่อนไม่เคยมีสติมาไวอันเดนมาก่อนเดินรอเห็นลูกพอใจบางไม่พอใจบ้างมันไปอย่างดอนวันนี้เห็นลูกึกตัวจ้ โอที่ด้ยินเสียงก็รู้สึกตัวซะนั่นเรียกว่าสติมาไหวๆสติไวให้กายใจสุขกกติงั้นก็จิตที่มันคิดไปนโน้นคิดพุ่งซ้อนงั้นก็จิตออกจากบ้านแล้วก็รู้สึกตัวซะ ความรู้จักตัวพอใหา้จิตกับบ้านเมื่อรู้สักตัวก็ปกติอะไรเกิดขึ้นกับปากกับใจกรู้จักตัวใช่ไมเหมนกัว่าพ่อแม่ของกายของใจก็ว่าได้สติดี พ, พระพุทธเจ้าจึงตั้งชื่อว่าอุปการะคุณ อุปการะมากที่ช่วยกายช่วยใจพาให้กายกลับบ้านพา ใ, ใจกลับบ้านแต่ไม่ฝึกก็ุองจรนกลางคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวกลางคืนก็ว่าขวันกลางวันก็ว่าคิดพุ่งชาติอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านทํางานกับพุ่งไปที่อื่น อะไรก็พุ่งไปที่อื่นอ่านหนังสือพุ่งไปที่อื่นอ่านจดหมายหน้าเดียวไม่เข้าใจต้องอ่านสองรอบสมรอบไม่ชัดเจนไม่แม่นยมอมก็ฝึกสติให้รู้จักตัวในคราวเดียวกันมันก็จะชัดเจนแม่นยมอมเฉพาะเรื่องทำอะไรก็เฉพาะเรื่องการเฉพาะเรื่อง เป็นระเบียบชัดเจนแม่นยำอย่างนี้เรือวสมาธิสมา ธ, มาธิคือมันมีที่ตั้งแล้วทำ ง, งานก็รู้จดจานทำงานอ่านหนังสือทํางานขับรถเราไม่ฝึกบางทีขับรถก็หลับได้ตอน ท, ที่มีงานทำอยู่ไม่มีชัดเจนแม่นยำในการงานนั่นนั่นใช้กายใชย้ใจก็ผิดไป ความล็กกลาเป็นความเกลียดชังแล้วแต่เขาจะมาใชา้แต่ว่าอารมณ์จอนมาหัือาคันตุกกะหรือวีอะไรจอนมามาดึงไปใช้เราใช้เขาเราใช้ความทุกข์เใช้ความโกรธโอ้นี่เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกมันจึงผิดพลาด ใ, ใจก็พึ่งใจไม่ได้คุ้มร้ยคงมดีร่กายก็ไปชัผิดก็ติดเล่าติดบุหรี่ติดอะไรที่เป็นความชั่วเป็นความจำเป็นของวัวโภคบริโภคโพุ่งพวยเกนไปบางทานที่มีแต่โทษ ได้เงินมาหาเงินบางคนก็บน่นว่าได้เงินเฉยๆว่าชื่ อ, อ, อบริษัทไหนว่าได้เงินกบาลชื่อบริษัทไหนจริงๆแทนที่คือเข้าปลาอาหารให้ร่างกายได้ประโยชน์เอาความเป็นทุกข์เป็นโทษมาใส่ร่างกายเข้าไปไยเกิดลูกใครใคเจ็บทั้งๆ ท, ที่ลูกอยู่ว่ามันไม่ดีแต่ทําไม่ได้ เวลาเามาปฏิบัตินี้มันจะได้โอกาสเปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีให้เป็นความถูกต้องจติเป็นเกณน์ีิวัดบอกความเท็จของจริงในสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับปากกับใจเรานี่ไม่มีอะไรที่จะเห็นตัวเองมากกว่าการมีจติเป็นหน้าโลก เหมกัเจ้าของคอยเจ้าของจมีสิทธิเราใช้สิทธิชอบทำผ ม, มไม่ชอบทำเ ก, กิดขเมื่อไรใช้ความชอบทำผมหลงไม่จริงผมไม่หลงมืนจริงผมชอบทำไปอย่างนี้มทุกข์ไม่จริงมไม่ทุกข์บัจริงเกิดขึ้นไหมกับตัวเราเดีย ถ้าความชอบธรรมไม่เกิดขึ้นที่เราความชอบธรรมก็เกิดขที่เด้ยากเราจะเรียกร้องควาเป็นธรรมจากคนอื่นมันทําไม่ได้ก็ทะเลาะบอกด่างกันความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นที่เราก่อนบางทีความเป็นธรรมมันก็ไม่มีจากคนอื่นที่ทํากับเราเราก็รู้รู้หลบเป็นปีกดูหลีกเป็นหลัง คนชั่วคนดีวิเทศวิทเทียมมีเยอะแยะในโลกดีว่าท่านทุกวันนี้ลูกหลานอยู่ในจิงเวโลกไม่ดีพ่อแม่เป็นคนดีมันอยู่กับจิงเวโลกไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีแต่จึงมาชวนกันดี ถ้าคนไม่ดีเกิดขึด้นแล้วก็เดือดร้อนฤดอนี้โลกมันร้อนทุกคนทําลายโลกเราไม่ตัดต้นไม้จากต้นเขาหนึ่งเขาตัดเราก็เดือดร้อนเราจึงมาชวนการ น, นับหนึ่งจากตัวเราลี้ก่อนเริ่มต้นจากตัวเราทุกคนนับหนึ่งจากตัวเราทุกคน มีสติเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนความรอยเป็นความดีให้มากบ้างตั ว, วิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ตั้งต้นที่ดีจะได้คิดในทางร่วมกันที่เรานั่งอยู่นี้เป็นด้อยร้อยชีวิตเนี่ยเราทุกคนมีสติเปลี่ยนความรูปเป็นความหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรูปอยู่ มันก็ล้อกวามชั่วเป็นคนคนเดียวกันเราหลงคนอื่นเขาหลงเขาเปลี่ยนหลงที่เกิดเครือข่าวแล้วเราก็เปลี่ยนหลงที่เกิดึ้นือขบเราปลายทางเดียวกันการเป็นคนคนเดียวกันทันทีเห็นการก็ทําอันเดียวกันทันทีเข้าใจกันเมื่อเรารู้เรื่องนี้เห็นเรื่องนี้ เวลาเราเวลาคนอื่นหลงเราก็รู้จะได้ช่วยเขาให้เขาไม่หลงเป็นมิตรกันอย่างนี้เวลาคนอื่นโกรธเราเคยโกรธเราเปลี่ยนได้แล้วเราไม่โกรธแล้วก็ช่วยกันนี่ว่ามิตรแท้แท้ซึ่งาพาัยใช้กันได้ป้องกันมิตรผู้ปบำบาดคืออย่างนี้รักษามิตรผู้ปบำบาด รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ก็ช่วยกันอาจเป็นกนารละยาปิดกันและเป็นกัร ล, ละยาปตุชนเมื่อเป็นการละยาแล้วปิดแล้วก็ยังลากความนี้ลงไปชูกันแน่นหนามากขึ้นเจนเราเป็นสามีปัญญากันเท่านี้ไปพอต้องเป็นการลยาณบิดเพิ่มเข้าไปอีก ตัวจักช่วยการแต่นี้แล้วก็มีสังคมครอบครัวครอบครัวเราก็สร้างเป็นกัรยาลมิตขึ้นมาได้เป็นสังฆะสมัคีเป็นเดีเดยวกันร่วมกันกลายเป็นกัญยาลมิตลึกเข้าไปมองกันเป็น กันระยะมิดแล้วหมายพอเป็นสามีพัญญาหรือเข้าปลอยมองกันเป็นเพื่อนเข้าปลอยมองกันเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นพี่เป็นลูกกัน <c oughs> อาจจะมองสามีเป็นพ่อก็ได้อาจจะมองปัญญาเป็นแม่ก็ได้ชื่อกันจริงๆไม่หลังเกลียดกันจริงๆ ร้มีปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่กันได้ช่วยกันจริงจริงเคยเห็นมาแล้วเห็นคนแก่ไปเจ็บตูกขงเมียเมียตายฟาพาฝังไว้ที่ไ่ขุดหลุมลงไปไปเอกระโูลกให้ลูกขุดลูกขุดไปเจอหัวกระโหลก ลูกกระโดดขึ้นหลุมขึ้มานั่งหมอนปากหลุมแล้หัวกระโหลกแล้วแต่พ่อกระโดดลงไปกูเองกระโดดลงไปคือฉามีกระโดดลงไปในหลุมนั่งลงเอาผ้าขามา้าปูไว้เก็บกระโหลกหวงหอเมียใส่ผ้าขามา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 สังคมที่ดีครอบครัวที่ดีแล้วก็พึ่งพาช ก, กันได้เดี๋ยวนี้แม่แต่ใจเราเองก็ไม่มั่นใจคมร้ยคนดีอยู่เช่นเดียวม่รู้จะเป็นอย่างไรยังพากันแบบมอดอยู่อ่อนลอยเป็นเกลีนสารพชรณของชิดเราควรที่จะดีกว่านี้แล้วก็โชว์เนี่ยประกาศกรรมฐาน ไปที่ให้อยู่มีข้าวให้กินมีอะไรกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ว่านี่คือหลับชีวิตจริงๆมาดูตัวเองสู่ทั้งหลายจะมาดูโลกดีคือกายกับใจเนี่ยผู้เจ้าว่าอย่างนี้จึงชวนมาปฏิบัติก็ก เราปฏิบัติเหมือนกันเราก็หวังจะมีที่พึ่งว่าจะมีที่พึ่งแล้วพอโคกรู้จักแก้วความร้ายเป็นความดีถ้าคนรู้จักแก้วความร้ายเป็นความดีก็พึ่งพาชกันได้จึงมีกรรมฐานนี่แหละแล้วก็บภาวนาขยันลู่ แล้วก็มีวิปัสสนาลู่แจ้งถึงที่สุดคือมรรคนิพพานเย็นสนิทหมดจดจากเครื่องทรงหมองเราก็อยู่กันด้วยความผาสุกสงบร่มงเย็นเพื่อาอาศัยกันได้ดินนี้มีแม่น้ามีอากาศมีป่าไม้มีอาหารเนี่ะไรต่างๆที่ดิง เดี๋ยวนี้ไม่แต่แผ่นดินก็เหยียบไปได้ไม่แต่สารพิษน้ำก็อาบไม่ได้แล้วผลตกลงมาลงไปอาบด้วยชีน้ำในชะ ต, ต้างวนหันพื้นไปเลยมีสารพิษก๊า ม, มกโซนสวยมีต่างๆไหลลงมา อากาศก็เป็นพิษแล้วอาหารกับเป็นพิษถูกทำลายบาทีมันเอาเถังกับมกซูลจิตยาฆ่ามาืองฆ่ายาแล้วล่างในน้ําในห้วยในหนองเห็นหูกับหูกับตาจิตในน้ํานชูฟะผูฟะเถิงใหญ่ มันการทำอย่างนี้ก็มีเราจะมีธรรมญาติเกิดเกินในเรื่องนี้วันจำเป็นต้องทาญาติประกาศออกไยไม่ได้รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นเสร็จแล้วเพราะมีคนทาไม่ถูกต้องเห็นกับตาเอารถเปนเลือดถังขิดยาใหญ่ลงไป ลางในอ่างง้ำที่วัดที่ใกล้ๆวั ด, ว, ดว้านเท่าวไผหวานเนี่ยการทำอย่างนี้ก็มีแต่ที่เขาจะล่างอยไงน้ําอย่างเดียวมันไปสูอะไรยยยเยอะแยะไปวนเลยเพื่อชู่เราด้วยเราจึงประกาศจึงเชิญชวนจึงพยายาม ลหลายๆอย่างซึ่งว่าร่มธรรมชาติแล้วก็ได้ตัวเรานี่ด้วยไปพร้อมๆกันทำที่เราจะทำให้เราอยู่ได้เริ่มต้นจากหนึ่งจากตัวเรานี่ก่อนอางอาจารย์ทรงจึงเขียนไว้ที่ลงอาหารนั้น บ่ดีน้ำดีดินดีอยู่ที่ไหนบ่ดีน้ำดีดินดีอยู่ที่คนคนอยู่ที่ไหนคนอยู่ที่เรานี้ยขี้บาตัวเรานี้ยเรานับหนึ่งก่อนเราจะต้องเป็นคนดีลนะความเชั่วเวลามันหลงเปลี่ยนความรูปความรู้เนี่ยตั้งต้นจากตรงนี้ไยเห็น ความรู้จักตัวกับความหลงตรงกันข้ามความทุกข์ความไม่ทุกข์ตรงกันข้ามความโกรธความไม่โกรธตรงกันข้ามอยู่ใกล้ๆกันเหมือนหลังมือหน้ามือเนี่ยเปลี่ยนหน้าอยู่อาดเปลี่ยนตรงนี้ไวๆเปลี่ยนไวๆมันจะดีถ้าใครขยันเปลี่ยนตรงนี้ไวๆมีมาให้เปลี่ยนกับเปลี่ยนทุกครั้งหลงลอยข้างลู่ลอยข้างโกรธลอยข้างลู่ลอยข้าง รูเท่ารูตนอนจังนี้มันไม่เหลือดอกแอนผู้บดปาดตะหลังดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออ้าวเท่าดีนะวันนี้เดินสอบผ้ า, า พ, รพร้อมกัน